ปราบธรมาก็มาประมาณรักสีห้าคนพอกราบเสร็จก่อนที่เขาจะลากลับสิ่งที่เขาทํามืกับคนอื่นๆก็คือขอถ่ายรูปนะก่อนจะถ่ายรูปเขาบอกเนี่ยจะได้ไปอวดถ่ายรูปอรตมาเพื่อจะเอาไปอวดเพื่อนๆอรตามาก็เลยถามเข้าไปว่าอวดทําไมนะทำไมอยากอวดนะเขาก็ไม่ตอบนะ แต่ก็หวังว่ า, าจะาไปคิดบ้างนะว่าทำไมจึงอยากจะอวดว่าได้ถ่ายรูป ก, กับพระที่จริไม่ใช่เฉพาะถ่ายรูป ก, กับพระหรอกนะที่อยากอวดแล้วก็ต้องอวดเรื่องอื่นๆนะี่บางทีเราน่าจะถามนะว่าอวดไปเพื่ออะไรอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อยากอวดถ้าถามไปก็จะพบว่าอ๋อ อยากอวดว่าฉันมีบุญได้ถา่ายรูปกับพระหรือว่าฉันโชคดีนะหรือวาอ่าฉันมีของดีที่จะอวดเพื่อนๆอันนี้มันก็เป็นหตุผลเดียวกับที่หลายคนอยากจะอวดว่าเนี่ยฉันเก่งฉัน มีความสามารถชั้นสวยชั้นรวยแรงจูงใจนะหรือเหตุผลเนี่ยมันอยู่ในจำพวกเดียวกันนั่นก็คือเพื่อปลนเปลรนะอัตตาพอ ถ, ถ้าได้อวดแล้วเนี่ยอัตตามันก็จะพองโตไม่ว่าจะอวด เรื่องไหก็ตามธรรมชาติของอัตตาเนี่ยมันก็อยากจะอวดว่าเนี่ยฉันเก่งฉันดีฉันแน่หรือถ้าละเอียดประณีหน่อยก็ฉันมีบุญหรือว่าฉันทำบุญมานะฉันไปกราบพระมาณนะอันนี้ก็ดูประณีตหน่อยแต่ว่า เหตุผลก็ก็คือนะต้องการผลนะเปิดตัวกูหรือว่าถ้าผู้ให้ถูกต้องคือต้องการสนองความปรารถนาของมานะนะมานะนี่มันไม่ได้แปลว่าขยันมันเพียนนะหรือว่ามานะแปลว่าพยายามนะ ภาษาไทยมานัา่งแพยายามแต่ภาษาบาลีมานัานี่มันเป็นกิเลสซึ่งควรจะมีให้น้อยที่สุดมันหมายถึงความอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเด่นกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเด่นเพราะสวยเพราะรวยเพราะสวยเพราะหล่อ เพราะสมาร์ทหรือว่าเพราะว่ามีปริญญาหลายใบมีความรู้หรือว่าไปทำสิ่งดีๆมาไอ้ น, นี่มาหน้าเนี่ยมาต้องการที่จะยกตนให้อยู่เหนือคนอื่นและวิธียกตนอันเนื้อคือการโอ้อวด อันนี้ก็เป็นธรรมดานะของของชาวโลกนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของชาวโลกที่ต้องการจะเด่นกว่าคนอื่นเป็นเบอร์หนึ่งเป็น Number รวันเพราะว่าเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าภาพลักษณ์ มันก็เป็นที่ปรารถนานของผู้คนอยู่แล้วรวมทั้งความร่ำรวยด้วยแต่ว่าสำหรับผู้ที่ายทำเนี่ยก็ยอมมองว่าเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่จะนำพาความทุกข์มาให้แล้วก็ถ้าายทมจริงๆเนี่ยก็ยอมปรารถนาที่จะ ลดละกิเลสไม่ใช่แค่ขยันทาบุญอย่างเดียวอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าถึงขั้วของการทำบุญก็ดีหรือการทำความดีลดละการให้ทานก็ดีนะนก็เพื่อลดละกิเลสเช่นความเห็นแก่ตัวหรือว่าความถือตัวซึ่งก็โยงไปถึงมานะหรืออัตตา นั่นนะครว่าเรามาทำความดีหรือว่ารวมไปถึงการมากราบพระแล้วใช้การทำความดีนั้นเนี่ยไปส่งเสริมกิเลสมันก็คงจะดูขัดแย้งกันหรือว่าการเอาพระหรือใช้พระเนี่ยมาเป็น เครื่องส่งเสริมมานะอัตตามันก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถ่ายรูปกับดาราคนดังแล้วก็ไปอวดเพื่อนๆหรือว่าเอาไปโพสต์ทางเ c e บุ๊กอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะเพราะว่าดารานี่เขาก็ปรารถนาชื่อเสียง แล้วปรารถนาความเด่นความดังเขาไม่ได้มีหน้าที่นะที่จะมาสอนให้เราเนี่ยลดละกิเลสบางทีเขาก็อาจจะส่งเสริมกิเลสไปด้วยซ้ำแต่พระเนี่ยนะมีหน้าที่นะที่จะชวนคนเนี่ยให้ลดละกิเลสลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะมันเป็นหนทางนะสู่ความเจริญ ง, งอก ง, งามในทางธรรม เพราะฉะนั้นมันก็ดูแปลกนะถ้ามาคิดดูดีๆนะว่าเออถ่ายรูปพระเพื่อจะไปได้เอาไปอวดคนนู้นคนนี้เป็นการปนเปื้กิเลสหรือทําให้อัตตามันพองโตมันก็เป็นการสวนทางกับการมาพัฒนะหรือว่าสวนทาง ก, การมาเข้าหาธรรมเพราะเราเข้าหาธรรมเพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อเพื่อลดเพื่อละเพื่อกัดเกรากกิเลสหรือ และถ้าจะมาลดละเพื่อขัดกกเกลาเกลเอก็ต้องพยายามกิเลก ต, ตัวหนึ่งที่ต้องควรจะลดให้ได้มากๆคือตัวมานะหรืออัตตาเน้นมาวัดมาทําบุญหรือมากราบพระแล้วหรือมาปฏิบัติธรรมแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปไปส่งเสริมกิเละไปส่งเสริมอัตตาไปส่งเสริมมานะมันก็ ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่คนจำนวนมากก็ไม่ค่อยได้คิดนะไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทำอะไรก็อยากจะอวดทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งไปเที่ยวที่ไหนไปกินอาหารที่ไหนก็อยากจะอวดแล้วเดี๋ยวนี้ก็อวดด้วยการถ่ายรูปโพสขึ้นเฟซ แน่นตามร้านอาหารดังๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีมุมนะมุมให้ถ่ายรูปหรือที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะเพื่อเอาไปอวดนะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยก็ไปหาความสุขก็ไปหาความสุขทั้งโลกเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องของการอวดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาวัดแล้วนะหรือมา ทำความดีมาทำบุญเข้าหาธรรมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งคานิย ม, มแบบนี้เนี่ยมันก็สวนทางกันสวนทางกับธรรมะนะที่เราพยายามที่จะเข้าหาแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อหลายปีก่อนนะมีโยมคนหนึ่ง ไปกราบหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลทั่นก็มาละนาผามาได้3าสิปีแล้วไปกราบหลวงปู่ดูลแล้วก็ช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวเขาก็เลยเอาพ้าห่มอย่างดีเลยนะไปถวายไม่กี่เดือนต่อมาเป็นช่วงหน้าร้อนผู้หญิงคนนี้ก็ได้ไปกราบหลวงปู่ดูลอีก แต่คราวนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากให้หลวงปู่เนี่ยช่วยเอาผ้าห่มที่เขาถวายคราวนั้นเนี่ยมาห่มให้ดูหน่อยนะจะถ่ายรูปนะพะคราวที่แล้วนี่ไม่ได้ถ่ายรูปหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธนะบอกไม่จำเป็นโยมนันก็ยังขยันขยอยจะให้หลวงปู่นะไปเอาผ้าห่มมา ให้เขาถ่ายรูปทันก็ปฏิเสธถึง3ามครั้งนะบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องโยมท่า น, นบอกว่าไม่พอใจมากก็เดินจากไปพอประธานเห็นก็เลยถามหลวงปู่ว่าเนี่ยบอกหลวงปู่ว่าเนี่ยเขาไม่พอใจนะหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่ารู้อยู่นะ เขามีความไม่พอใจเพราะใจเขามีความไม่พอเขามีความไม่พอใจเพราะใจเขามีความไม่พอคือได้บุญแล้วก็ยังไม่พอนะยังอยากได้หน้านะหน้านี่ที่หมายเขาว่าอยากจะถ่ายรูปไปอวดไปอวดเพื่อนๆนะขนาดสมัยนั้นยังไม่มี facebook นะนะก็อยากจะถ่ายรูปไปอวดว่าเนี่ยนะ หลวงปู่นี่ผ้าของฉันไม่ใช่แค่ว่าเนี่ยฉันโชคดีนะที่ได้ถวายผ้าห่มฉันดีอย่างดีกับแกหลวงปู่นะแกหลวงปู่นี่ยังถวายยังยังใช้ผ้าหมของฉันด้วยไอความยึดมั่นถึอมัม่นว่าของฉันของฉันนี่มันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยที่ทําให้ตัวกูมันพองโตเนี่ย คนเราเนี่ยนอกจากปลนเปล่อัตตาหรือบำรุงอัตตาด้วยการโอร้อวดแล้วเนี่ยในการไปยึดว่าเนี่ยนี่ของฉันนี่ของฉันหรือว่าเวลาถวายจีวรถวายพระพมถวายอาหารให้กับหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ยังไปยึดว่าของฉันของฉันเนี่ย นี่เป็นการเสริมอัตตาให้มันหรือเสริมมานาให้มันแน่นหนาขึ้นนะเพราะที่จริงเนี่ยถวายให้ท่านมันก็ต้องเป็นของท่านไปแล้วไม่ใช่เป็นของเราแต่อัตตานี่มันยังยึดเอาไว้วันนี่ของฉันของฉันแล้วมันจะรู้สึกปราเปื่มหรือหัวใจพองโตนะที่เห็นหลวงพ่อหลวงตา นะผมจีวรของฉันนะใช้ผ้าหมของฉันหรือว่าฉันอาหารของฉันแค่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้อัตตานี่มันอพองโตขึ้นมามันเป็นการบำบุมอัตตาแต่เดี๋ยวนี้ไม่พอเท่านั้นนะต้องถ่ายรูปด้วยนะเพื่อไปโชว์ เพื่อประกาศให้โลกรู้นะว่าเนี่ยหลวงปู่หลวงตาเนี่ยใช้จีวรของฉันให้ความวิตรมนต์าของฉันของฉันเนี่ยมันคนไม่ค่อยตะหนักนะว่ามันเป็นการไปเสริมอัตตาให้มันแน่นหนามากขึ้นถ้าคนเราเนี่ยเผลอหรือว่าไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่าไปบำรุงบำรบร อ, อัตตาเนี่ย ด้วยวิธีการต่างๆมากมายไม่ใช่แค่อวดด้วยการถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์หรือว่าด้วยกามไปยึดมั่นถือมันม่นว่าเนี่ยหรือไปประกาศให้ใครๆรู้ว่าเนี่ยท่านผมจีวันของฉันฉันอาหารของฉันรวมถึงการทำความดีเช่นทำบุญเลยนะทำบุญเดี๋ยวนี้ก็ ก็ต้องถ่ายรูปและประกาศไปทางเฟซบุ๊กเพื่อแสดงว่าฉันเป็นคนมีบุญอาจจะเป็ น, ฉ, น, ปนฉันเป็นผู้ฝ่ายทาฉันเป็นผู้ฝ่ายบุญและถึงแม้จะไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่ว่าเวลาเราทำความดีกับใครก็ตามเนี่ยถ้าเราอยาให้ใครเขาชมอยาให้คนนั้นเขาชมเรา ว่าเราเป็นคนดีหรืออยากให้เขาเห็นความดีของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการบำรุงบำเลออัตตาอยากให้คนเขาเห็นความดีของเราอยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนมีความเมตตากรุณาเป็นคนมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟือ้อเผือแผ่เป็นคนขยัน อัตตาเนี่ยมันต้องต้องการคําชมต้องการความนิยมจากผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําดีก็อยากให้คนชมหรืออย่างน้อยก็อยากให้คนเห็นเคยได้รู้สึกดีกับเราอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยที่เป็นการเตริมอาหารด้กับอัตตาหรือมานะจริงจมันก็มีข้อดีนะ คนเราเนี่ยก็ต้องการผู้ชนมื่ก็ต้องการคำชมคำสรรเสริญเพราะมันเป็นกำลังใจให้อยากทำความดีมากขึ้นให้เขาชมเพราะเราทำดีดีกว่าชมเพราะเราทำชั่วนะเดี๋ยวนี้คนจะไม่น้อยเนี่ยก็เวลาทำอะไรที่ไม่ดีก็อยากจะอวดนะเช่นไปอวดว่าเนี่ยฉัน ไปนอนนะกับผู้หญิงมากี่คนกี่คนแล้วหรือว่าฉันไปนอนกับผู้ชายมากี่คนกี่คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เอามาอวดกันหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็สมัยหนึ่งก็อวดว่าเนี่ยไปตีหัวใครไปทำร้ายใครไปทำร้ายคู่อริไม่ได้กี่คนไอคำชมแบบนี้หรือการโอ้อวดแบบนี้มันมันไม่เข้าท่าเลยนะทำดีแล้ว ทำดีแล้วอวดว่าทำดีก็ยังดีกว่าแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการจะปฏิบัติทรรมจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใต่ตรองใคร่ควรนะว่าในการอวดว่าฉันทำดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหรือว่าการอยากจะได้คําชมเมื่อทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีโทษเหมือนกันนะ โทษก็คืออันเนี้ยมันเป็นการบำรุงบำเรออัตตาเพิ่มพูนมาะนะแม้ว่ามันจะเป็นในแง่หนึ่งมันก็ทาให้เกิดกำลังใจในการทำความดีแต่ว่าโทษของมันก็มีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มานะหรืออัตตาเนี้ยมันพองโตต่อไปมันก็จะสร้างความทุก ใ, ให้กับเราได้ง่ายนะ เช่นเวลาเห็นใครที่เก่งกว่าดีกว่าเก่งกว่าดีกว่าเราเราก็จะไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องในมือน้องปฏิบัติทำนะถ้าเกิดเห็นใครเขาข ย, ยันกว่าเ้าตื่นนอนเช้ากว่านะเาปฏิบัติจนดึกดื่นมากกว่าเราบางทีก็แทนที่จะชื่นชมเขานะกับ ก็ไม่พอใจคนนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเด่นกว่าเราเขาดีกว่าเราที่จริงน่าจะสารเสริญเขานะหรือว่ามีมุติตาจิตนะแต่ว่าเป็นเพราะอัตตามานณเ น, นี่ยมันพองโตเนี่ยมันเราไปให้อาหารมันมากจนกระทั่งมันคลองจิตครองใจเรานั้นพอใครที่เก่งกว่าดีกว่าขยันกว่า พอเห็นเขาก็เกิดความไม่พอใจแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะนะจนกระท่ามันมีพาสิตว่าเนี่ยทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะไม่รู้พาสิตนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังแพร่หลายไม่แต่ตะกอนี่มันมันแพร่หลายมากเลยนะทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเขาจะหมั่นไส้ ถ้าเราดีและเด่นแม้จะไม่ได้อวดตัวเลยได้ซ้ำเนี่ยแต่ว่าคนเขาก็จะหมั่นไส้คนเขาก็จะรังเกียจก็จะไม่ชอบที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคนหนึ่งเขาเด่นกว่าเราไอท้ที่ที่ไม่ชอบที่เห็นคนหนึ่งเขาเด่นกว่าเราเนี่ยมันก็เป็นอ่าเป็นธรรมาชาติของอัตตาหรือมารณะเล นะมาหน้านี่มันทนไม่ได้ที่ใครเด่นกว่าสูงกว่าดีกว่านะหรือแม้กระทั่งนะหล่อ ก, กว่าสวยกว่าแค่ในวางแวดวงนะแค่ใส่เสื้อผ้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมแพงกว่านี้ก็ก็สามารถทำให้คนหนึ่งเขาอ่าเล่ได้นะหรือไม่พอใจได้ พอถือว่าเนี่ยใช้ของแพงกว่าฉั น, นใช้สินค้าแบรนด์เนมดีกว่าฉันนี่ฉันไม่ชอบ น, นี่มันก็เป็นอิทธิพลของอัตตานีสำหรับคนที่หลงวนอยู่กับเรื่องของโลกโลกแต่เมื่อัึงผู้ไฝ่ธรรมเนี่ยสพเิบเมื่อไหร่เนี่ยใครขยันกว่าเขาดีกว่าเา ก, ก็ไม่ชอบเขาขึ้นมาพอปล่อยให้อัตตามันคลองใจ เขาไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติเพื่อลดละอัตตาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเออถ้ามีคนมาตําหนิเรามาทักท้วงเราคนนี้มีอัตตามากๆมีมานะมากจะไม่ยอมเลยทำผิดก็ไม่ยอมรับเพราะว่าอัตตาหรือมานะมันมันยอมไม่ได้ที่ฉันผิดฉันพลาดนี่มีคนเห็นด้วยนี่มัน ยิ่งรู้สึกเสียหน้าเสียภาพลักอัตตาหรือมาหน้าที่มันต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดี ใ, ใครมาใครมาทักท้วงใครมาชี้ความผิดพลาดเนี่ยจะจะโกรธแนะม้ท่าในหมุนักปฏิบัติธรรมก็ก็เผลอนะปล่อยให้ความโกรธเนี่ยมันเผาหล่นใจเพราะเห็นเนี่ยหรือ คนเขาไม่ชมนะเขาจะไม่ตำหนิแล้วเขาไม่ชมก็ไม่พอใจเป็นทุกข์อยี๋วนี้ก็เป็นกันเยอะนะถ้าเกิดโพสต์ทางเฟ e บุ o k หรืออินสตาแกรมแล้วเนคนกดไลค์น้อยนะคนะชื่นชมน้อยนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราโหยหาเนี่ย คมชื่นชมโหยหาการกดไล่มากอ้ า, าชาวโลกก็เป็นธรรมดานะแต่ถ้าคนที่เป็นนักประดิติธรรมหรือฝ่ายธรรมแล้วเรามาทุกเพราะเหตุ น, นี้เนี่ยก็แสดงว่ายัางปล่อยให้มาณาอัตตานี่มันครอบงาใจมากเกินไปและเพราะพอปล่อยให้มาณาตานี่มันเติบโตเนี่ยเวลาใครเขาไม่เห็นความสาคัญ ของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกขนะ์นะก็มีความสําคัญของเรามีหลายคนนะโยมหลายคนเนี่ยเยอะทีเดียวมาถามตัมมาเนี่ยจําโยมได้ไหมอาจารย์จําโยมได้ไหมเวลาตาัมมาบอกว่าจําไม่ได้นี้เขาเสียหน้าเลยนะหน้าเขาเสียเลยตัมมาก็กต่อหลังก็เลยไม่อยากจะตอบคําถามนี้นะ จำโยมได้ไหมนะเพราะบางคนนี่ไม่ได้เจอกันมาหรือว่าเคยเจอกันเมื่อห้าปีที่แล้วที่จําไม่ได้แต่พอตอบตามตรงไปว่าจําไม่ได้นี่เขาหน้าเสียเลยทำไมถึงหน้าเสียนะเพราะเขาสึกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ความสําคัญแล้วเขาจะดีใจมากเลยนะหากว่าอาตมาตอบว่าจําได้ อัตตามันจะพองโตเลยเพราะสือว่าได้ละความสาคัญแต่ถ้าสมบมาจําไม่ได้แล้วตอบประจำได้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมแต่บอกว่าจำไม่ได้เขาก็น่าเสียหรือผิดหวังก็เลยบางทีไม่รู้จะตอบอยังไงบางทีก็ต้องขอโทษขอโพลก็ไ ป, ไปเพราะจำไม่ได้จริงนะอันนี้ก็ที่ทุกพ่อเลยนะเพราะอัตตามันปรารถนาการ เป็นคนสำคัญหรือว่าแต่ละความสำคัญถ้าจำได้ก็แสดงว่าฉันเป็นคนสำคัญถ้าจำไม่ได้ก็แสดงว่าฉันไม่ได้มีความสำคัญมันก็มันก็ทำให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์กันได้ง่ายเหลือเกินและเพื่อ น, นี้นะพอพอเราปล่อยให้อตตาของใจเนี่ยเวลาถึงเวลาเราเจอประสบความล้มเหลว นะเราจะเป็นทุกข์กันมากแทนที่เราจะเรียนรู้จากความล้มเหลวนะเรากลับรู้สึกว่ามันทําให้เราเสียหน้ามันทําให้คนเขามองเราไม่ดีนะคนทุกวันนี้เลยมีความทุกข์มากเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จมันมีน้อยและถึงแม้สาเร็จยังไงมันก็ต้องเจอความล้มเหลวแเราไม่ใช่ความล้มเหลวเดีวนะความแก่ชาราเนี่ย สมัยนี้เขาก็มองความแก่ชรามันไม่ดีเพราะว่าพอแก่ชราแล้วผิวก็เหี่ยวย่นหน้าตาดูไม่ดีเพราะสมัยนี้เขาชื่นชมความงามกันความหรอความมีกําลังวังชาตามก็ปาถนาให้คนชมนะว่าถ้าบอกเขาว่าถ้าเรียกเขาว่าเป็นพี่เขายิ้มเลยแต่พอบอกว่าพอเรียกเขาว่าเป็นลุงเป็นป้านี่เขา โมโหเลยนะเดี๋ยวนี้ไปบอกไปทักใครว่าเป็นลุงเป็นป้านี่จะไม่ชอบเลยเพราะแสดงว่าฉันแก่อัตตามันไม่อยากจะยอมรับถ้าเรียกว่าพี่นะหรือว่าน้องนี่โอ้ฉันยังอายุไม่มาก น, ะนี่ถ้าเราปล่อยให้อัตตาคลองใจนะ มันก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายเป็นคนที่หาความสุขได้ยากแต่คนก็ไม่เคยตระหนักนะก็ยัง บ, งบงวมุ๋มบวลดอตาโดยการพยายามโอ้อวดพยายามแสวงหาคําชื่นชมสรรเสริญแต่ก่อนเราถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายรูปเพื่อเราดูคนเดียวเพื่อเพื่อที่จะย้อนเวลาผ่านไปแล้วก็นึกย้อนถึงอดีตรู้สึก ลำลึกถึงประสบการณ์ดีๆแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเพื่ออะไรนะถ่ายรูปเพื่อไปอวดนะถ่ายรูปเพื่อไปอวดอวดทาง Facebook ทาง Instagram นะปรารถนาคำชื่นชมสารเสริญต้องการที่จะให้อัตรานียมันปรนต้องการปรนเปรดอัตตาไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นคนสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นโทษของอัตราเท่าไหร่เพราะนั้นก็เลยพยายามหา หาทางสร้างภาพลักษณ์แล้วอวดอวดตนอยู่ทุกโอกาสไปกินอะไรก็อวดนะไปเที่ยวที่ไหนก็อวดนะหรือไปทำบุญที่ไหนก็อวดนี่ถ้าเราลองใคร่ครวนดูนะเออเราอวดไปเพื่ออะไรสาหรับคนที่หลงบนในเรื่องทางโลกก็ไม่เป็นต้องต้องถามตัวเองแบบนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยนะควรจะถามว่าอวดไปเพื่ออะไรอะไรคือแรงจูงใจนะ ที่ทําให้เราอยากจะอวดนะมันใช่กิเลสหรือเปล่าบางทีเราต้องรู้จักละเอียดละออ น, นะกับเรื่องแบบนี้ทั้งที่มันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะการที่เราจะอวดนะว่าเราไปทําบุญที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปพูดไปายทำเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักสํารวจตรวจตราตั้งคําถามกับการกระทําของตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราไม่พอเราไปทําตามกระแสเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้กิเลส นะอัตตามา น, นะเข้ามาครองใจก็ในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะลดละอัตตาลดละมานะมันก็ต้องไตรตรองใคร่ควรนะสอบทานดูว่าเราทําอย่างนี้อย่างนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ทําไปตามกระแสเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กิเลสมั น, นครองใจปล่อยให้อัตตามันเติบโตขึ้นจนกระทั่งมาบงการชีวิตจิตใจของเรา ซึ่เดี๋ยวนี้มันเป็นเป็นธรรมดาของยุคสมัยมากนะเพราะยุคสมัยนี้เขาเน้นเรื่องการสร้างอัตลากษเสริมสร้างอัตลากษันให้มากๆแล้วคนก็หลงอาการเสริมสร้างอัตลาเสริมสร้างภาพลักษณ์นะจนกระทั่งกล า, ายเป็นท่าทของสิ่งเสรเช่นต้องไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงๆเพื่อจะให้ภาพลักษณ์ดูดีเสแต่แล้วก็ถูกเขาหลอกแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างที่กล่าวมาอันนี้นี่พทุทธนี้นะอ้าวกลับมา